บทที่9วิญญาณขั้นตำ่ำบุคคลผู้มีการศึกษาและวัฒนธรรมในสมัยปัจจุบันส่วนมากมักจะอดยิ้มอยู่ในใจไม่ได้เมื่อได้ทราบถึงแนวความคิดเรื่องรกสวรรค์ของคนในสมัยโบราณเพราะคิดเสว่าแนวความคิดเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ป่าเถื่อนหรือว่างม ง, งายอย่างยิ่งในทำนองเดียวกันท่านที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิชาลึกลับมาแล้ว ก็อดที่จะนึกยิ้มอยู่ในใจไม่ได้ในเมื่อทราบถึงแนวความคิดของผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นปัญญาชนหรือผู้มีวัฒนธรรมอันสูงส่งดังกล่าวมาแล้วทั้งนี้เพราะท่านเหล่านั้นรู้ดีว่าความคิดของคนสมัยโบราณเกี่ยวกับเรื่องสวร ร, รค์นรกนั้นอันที่จริงมีเข้าความจริงอันเป็นมูลฐานอยู่ไม่น้อยเหมือนกันคืออย่างน้อยก็แสดงว่าคนโบราณที่ถูกกล่าวหาว่าป่าเถื่อนนั้นมีความเข้าใจในเรื่องโลกทิพย์อยู่พอสมควรทีเดียว ชีวิตในอนาคตในชาตินี้ของบุคคลหนึ่งหนึ่งจะเป็นอย่างไรย่อมสุดแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเขาจะมีนิสัยในด้านสังคมและอุปนิสัยส่วนตัวนั้นเป็นอย่างไรชั้นใดในทรรนองเดียวกันชีวิตในชาติต่อไปของเขาจะเป็นอย่างไรก็ย่อมสุดแล้วแต่ว่าในชาติปัจจุบันเขาเป็นคนมีอุดมคติและนิสัยใจคอเป็นอย่างไรฉันนั้นโลกที่เป็นสถานที่ที่บุคคลสามารถจะดําเนินชีวิตไปตามอุดมคติ ที่เขาตัางไว้ในโลกนี้ได้เป็นอย่างดีอาจจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าชีวิตในโลกที่เป็นภาพสะท้อนที่เห็นอุดมคติต่างๆได้อย่างเด่นชัดแล้วเรื่องนี้โปรดทราบว่าเป็นไปได้ทั้งในส่วนดีและส่วนเลวคือทั้งในฝ่ายอุดมคติและความปรารถนาที่สูงส่งและในฝ่ายความปรารถนาและอุดมคติที่เลวซามตาช้าด้วยเช่นเดียวกัน จากความจริงดังกล่าวมาแล้วท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่าโลกทิพย์ของบุคคลที่อยู่ในสมัยดึกดำบันก็เป็นเรื่องของการสนองความปรารถนาของบุคคลเหล่านั้นในยุคนั้นเขาได้ตั้งความปรารถนาไว้อย่างไรเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เขาก็จะได้สนองความปรารถนานั้นในโลกทิพย์ตัวอย่างเช่นเจ้าอินเดียนแดงที่ชอบล่าสัตว์ก็จะได้มาอยู่ในโลกทิพย์ที่มีสัตว์ให้ล่าอย่างสมใจ และคนปลาเหล่าอื่นที่ได้วาดภาพสวรรค์ของเขาหมายถึงโดยส่วนรวมวาดภาพว่าอย่างไรเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ก็จะได้มาอยู่ในสวรรค์ที่มีลักษณะเช่นนั้นในโลกทิพย์ซึ่งเป็นการตรงกันกันกบที่ลทัทธิศาสนาของเขาในยุคนั้นๆสอนไวจ้จริงๆหลักความจริงข้อนี้อาจทําให้เป็นที่ไม่น่าเชื่อหรือน่าหัวเราะสําหรับบุคคลที่เชื่อว่าขึ้นชื่อว่าสวรรค์แล้วจะต้องมีถนนที่ปูลาดด้วยทองคําเหลืองอาราม มีน้ำนมและน้ำพึ่งไว้สําหรับดื่มได้อย่างเหลือเฟือแต่อันที่จริงถ้ารอคิดให้ดีๆสักหน่อยก็จะเห็นได้ว่าแนวความคิดที่ว่าสวรรค์จะต้องมีถนนทองคําน้ํานมและน้ําพึ่งเป็นต้นนั้นก็เป็นการแสดงออกของความปรารถนาหรือตัณหาอีกประเภทหนึ่งนั่นเองซึ่งสรุปแล้วก็ไม่ดีกว่าแนวความคิดว่าสวรรค์จะต้องมีดินแดนที่จะล่าสัตว์ได้อย่างสะดวกสบายเท่าใดนัก ถ้าเราจะคิดถึงสภาพความเจริญทางอารมณ์และสติปัญญาของคนสมัยดึกดำบันแล้วก็จะเห็นได้ว่าในเมื่อเขามีความต้องการเช่นนั้นในระดับนั้นอยู่เป็นพื้นฐานของนิสัยใจคอแล้วการที่จะให้เข้ามาอยู่ในสวรรค์ของคนที่เจริญแล้วในสมัยปัจจุบันนี้ย่อมจะไม่เป็นความพาสุขคือจะไม่เป็นสวรรค์ของเขาอย่างแน่นอนยิ่งกว่านั้นมันอา จ, จเป็นนรกสาหรับเขาไปเลยก็ได้ ลองคิดดูถึงคนป่าที่ถูกนํามาอยู่ในปราสาทราชวังอันรูราโออาในเมืองแวดล้อมไปด้วยคนที่มีนิสัยและรสนิยมที่เข้ากันไม่ได้เลยเช่นนี้แล้วท่านก็จะเห็นได้ในความจริงที่ว่าเขาจะไม่รู้สึกเป็นสุขเลยแม้แต่น้อยความจริงดังกล่าวมาแล้วก็เป็นความจริงในโลกทิพย์เหมือนกันเมื่อมีสวรรค์ของคนที่มีการศึกษาและวัฒนธรรมดังเช่นในสมัยปัจจุบันได้ก็ย่อมจะต้องมีสวรรค์ของคนในสมัยดึกดำบันได้ เราว่าในสวรรค์เรล่านี้เองจะเป็นที่ที่สนองความปรารถนาของเขาได้และเมื่อเป็นที่สนองความปรารถนาของเขาได้ก็ยอมเป็นสวรรค์ของเขาได้ด้วยประการชน่นนี้หมายเหตุผู้อ่านต้องไม่ลืมนะครับว่าภพภูมินั้น มีการแบ่งแยกย่อยตามความละเอียดประนีตของจิตและปัญญาสวรรค์ที่พูดถึงนั้นก็เป็นเพียงสวรรค์ชั้นต้นที่ยังหยาบและแยกย่อยออกไปได้ตามทิฐิความเชื่อและอุปาทานของแต่และกลุ่มคนแต่โดยหลักโดยแก่นแล้วก็คือจิตที่สร้างภพออกมาตอบสนองตามความประนีตของจิตหรือบุญที่มีในตนบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าคนป่าที่ชอบล่าสัตว์ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ที่มีสัตว์ให้ล่านั้น จะเป็นไปได้อย่างไรข้อนี้ก็ต้องเข้าใจในหลักพุทธด้วยนะครับว่าถ้าจิตก่อนตายเป็นสุขและไม่มีกรรมหนักมาตัดรอนก็ไปเกิดในสุคติภูมิได้แต่จะอยู่นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตและบุญที่มีด้วยนะครับในโลกทิพย์ใจเป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมา ดังนั้นหลัก ท, ทั่วไปของเรื่องนี้จึงเป็นดังนี้คือวิญญาณของบุคคลผู้อยู่ในโลกทิพย์แต่ละภูมิมีแนวความคิดเรื่องสวรรค์ส่วนใหญ่คือไม่ใช่ส่วนปลีกย่อยเป็นอย่างไรสภาวะทางภูมิศาสตร์ของภูมิแต่ละภูมิในโลกทิพย์ก็เป็นเครื่องแสดงออกซึ่งรสนิยมและความเชื่อของวิญญาณส่วนใหญ่ที่อยู่ในภูมิเหล่านั้นทั้งนี้เพราะการส่งกระแสความคิดออกไป จะมีอำนาจอย่างรุนแรงในโลกทิพย์อย่างเห็นได้ชัดกว่าในโลกมนุษย์มากลักษณะของภูมิแต่ละภูมิในโลกทิพย์จึงเป็นผลรวมของความคิดคำนึงของวิญญาณที่อยู่ในภูมินั้นๆเล่าสั้นๆก็คือในโลกมนุษย์เรานี้สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องสร้างคนคือเราจะมีนิสัยใจคอเป็นอย่างไรก็ต้องสุดแล้วแต่สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสาคัญแต่ในโลกทิพย์สิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไร ก็ต้องสุดแล้วแต่สภาวะทางจิตใจของวิ ญ, ญญาณส่วนใหญ่ที่อยู่ในภูมินั้ น, น, นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญกล่าวอีกในยะหนึ่งก็คือในโลกทิปคนหรือวิญญาณเป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเองชาวอินเดียแดงเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็จะเข้าสู่โลกทิพย์ที่ทำให้ชีวิตของเขามีความสุขสำราญเพราะเขาจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่สนองความปรารถนาของเขาได้เป็นอย่างดีบรรดาผู้ที่มีความสามารถในทางตาทิพที่มีอยู่ในหมู่ชาวอินเดียนแดงเหล่านั้นเมื่อได้ทอดจิตไปเห็นภูมิแห่งสวรรค์ที่พวกของเขารุ่นก่อนๆได้ไปเกิดอยู่และได้เห็นว่ามีดินแดนที่เขาจะสามารถล่าสัตว์ได้อย่างเป็นสุข <c oughs> ก็กลับมาบอกกับพวกเขาให้ทราบทั่วถึง ก, การติดต่อกับพวกเขาในรุ่นก่อนๆมีเป็นประการใด เขาก็ได้เล่าสู่กันฟังไว้ตามความเป็นจริงดังนั้นสวรรค์ของชาวอินเดียนแดงจึงมีสภาพสมจริงดังที่พวกพ่อมดหมอผีของเขาได้สั่งสอนกันไว้และวิญญาณของชาวอินเดียนแดงเหล่านั้นเมื่อเติ่นขึ้นหลังจากที่ได้พักฟื้นในโลกทิพย์แล้ว <c oughs> ก็จะเห็นว่าเขาได้มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นสวรรค์สมใจนึกของเขาจริงๆริงราะรอบกายของเขาจะมีป่าไม้ทุ่งราบลําธารน้อยใหญ่ มีวัวและควายให้ยิงและล่าได้อย่างสนุกสนานและเหลือเฟือมีปลาให้ตกขึ้นมากินได้อย่างอิ่มหนำสำราญทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วก็มีขึ้นเป็นขึ้นด้วยความประสงค์เช่นนั้นคือเพื่อสนองความปรารถนาเช่นนั้นเพราะความปรารถนาเช่นนั้นของสุนรรวมได้เป็นตัวการสร้างสารรค์มันขึ้นมาไว้แต่สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็มีอยู่เป็นอยู่ในสภาวะของจิตใจของคนเหล่านั้นเท่านั้น หมายเหตุผู้อ่านอาจจะสงสัยว่าคนอินเดียนแดงนั้นทําความดีอะไรจึงไปเกิดในสวรรค์ได้ข้อนี้ของให้ดูพฤติกรรมการใช้ชีวิตของพวกเขานะครับส่วนหนึ่งเลยที่หมดเวลาส่วนมากไปกับการสวดมนต์อ้อนวอนซึ่งถือว่าเป็นการทําสมาธิหรือการทําสมถธิอย่างหนึ่งทําให้จิตสงบมีกําลังและน่าจะเป็นบุญหลักที่ทําให้คนเหล่านั้นได้ไปอยู่ในสวรรค์แต่ก็ยังเป็นสวรรค์ในขั้นหยาบมองระยะยาวแล้ว ก็ไม่ได้ดีกว่าการเป็นมนุษย์เท่าไหร่นะครับและจิต ท, ที่ยังชอบการล่าสัตว์นั้นก็จะส่งผลเสียไปอย่างมากในชาติต่อไปหรือเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งที่ต้องย้ำเรื่องนี้ไว้สองรอบก็เพราะเกรงว่าจะมีหลายคนเข้าใจผิดว่าการฆ่าสัตว์นั้นไม่ได้เป็นบาปซึ่งความจริงความปลีกย่อยของเรื่องนี้มีความซับซ้อนดีเรื่องเกี่ยวกับจิตก่อนตายและบุญหรือสภาพจิตอันเป็นกุศลที่สะสมไว้นในระหว่างมีชีวิต ยังอาจรวมไปถึงบุญเก่าในชาติก่อนๆมารวมเป็นผลรวมให้ชีวิตและความตายในชาตินั้นจะมีที่ไปอย่างไรด้วยนะครับในเรื่องนี้ถ้ามองแบบชาวพุทธที่ศึกษาเรื่องกรรมและเห็นชัดว่าการฆ่าสัตว์เป็นปานาติบาตเป็นสินข้อแรกแน่นอนว่าหลายคนต้องค้านแน่นอนว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่คนมีจิตใจชอบฆ่าสัตว์จะไปเกิดในสวรรค์ได้เรื่องนี้ก็อย่างที่เปรียบเทียบ เหมือนสัตว์ที่ยังกินเนื้อทั่วไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเหตุอื่นให้สามารถเลื่อนภพภูมิไปสู่สุคติได้สัตว์เหล่านั้นก็ไม่มีทางเลื่อนภพภูมิมาเกิดเป็นคนได้เลยเพราะทางชีวิตของสัตว์เหล่านั้นก็ต้องฆ่าสัตว์เป็นประจำทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ มีอยู่เป็นอยู่เหมือนกับสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่ในระหว่างฝันอันเห็นจริงเห็นจังและวิญญาณเหล่านั้นก็ถือว่ามันเป็นเรื่องจริงจังไม่ใช่เรื่องความฝันแต่อย่างใดทั้งนี้เพราะว่าความฝันทั้งหลายย่อมเป็นความจริงในระหว่างที่มันยังเป็นความฝันอยู่คือตราบใดที่จิตใจยังไม่ตื่นจากความฝันตราบนั้นจิตใจก็จะไม่มีโอกาสรู้ได้ว่าความฝันเป็นเพียงความฝันเท่านั้น และจากหลักการนี้เองที่ท่านผู้มีปัญญาอันสูงสุดได้บอกแก่เราไว้ว่าอันที่จริงสาก곤จักรากวาลที่ประกอบไปด้วยปรากฏการ์ต่างๆนี้ก็เป็นเพียงความฝันของสภาวะที่อาจเรียกได้ว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเองแต่ถึงอย่างไรสภาวะทั้งหมดเหล่านั้นก็ปรากฏเป็นความจริงแก่เราอย่างแท้จริงเราอาจเข้าใจความจริงข้อนี้ได้ดีขึ้น หากลองคิดถึงเหตุการณ์บางอย่างในความฝันของเราในโลกมนุษย์นี่เองซึ่งบางครั้งมันชัดเจนและฝังใจอย่างยิ่งจนกระทั่งทำให้เราต้องดีใจอย่างเหลือล้นหรือไม่ก็เสียใจอย่างสุดซึง้งไม่น้อยกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เราตื่นอยู่เหมือนกันและในระหว่างที่เราฝันอยู่นั้นเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเพียงความฝันเลย บุคคลที่ได้ทำการค้นคว้าเรื่องนรลกสวรรค์ต่างก็รายงานว่าบรรดาพวกที่อ้างว่ามีตาทิพย์ก็ดีหมอวิเศษหรือคนทรงต่างๆก็ดีล้วนรายงานว่ามีสวรรค์ซึ่งมีลักษณะตรงตามที่ละที่ศาสนาหรือความเชื่อของตนไดิกล่าวไว้ทั้งสิน้นซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลกลุ่มใดศาสนาใดมีความเชื่อเรื่องสวรรค์อย่างใดก็จะเห็นว่ามีสวรรค์ในลักษณะของตนของตนแตกต่างกันออกไป ดูเหมือนว่าจะไม่มีที่สิ้นสุดคือมีทั้งสวรรค์ของคนป่าเถื่อนและสวรรค์ของคนในสมัยที่มีอารยธรรมแล้วซึ่งล้วนแต่มีลักษณะแตกต่างกันไปได้ทั้งๆ ท, ที่ต่างกลุ่มก็เรียกว่าเป็นสวรรค์ของตนเหมือนกันเมื่อเป็นดังนี้นักค้นคว้าในเรื่องนี้ก็มักจะไม่เชื่อและเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลไปซสหมดเพราะเขาคิดว่าเรื่องเช่นนี้คงเกิดจากการเพ้อฝันและมโนภาพ หรือภาพหลอนของผู้ที่ได้ไปเห็นมาเสียมากกว่าโดยข้ออ้างเหตุผลขึ้นมาเองว่าขึ้นชื่อว่าสวรรค์แล้วจะต้องมีลักษณะเหมือนกันหมดแต่ข้อลืมพิจารณาว่าในคำบรรยายลักษณะของสวรรค์ที่มีแตกต่างกันนั้นก็ยังมีสิ่งที่เหมือนกันเป็นมูลฐานอยู่ประการหนึ่งถึงแม้ว่าในรายการปลีกย่อยจะแตกต่างกันอย่างมากมายก็ตาม ผู้ศึกษาวิชาลึกลับทั้งหลายยอมทราบดีว่ารายงานจากพวกที่มีตาทิพพ่อมดหมอผีหรือคนทรงบอกเล่ากันต่อๆมานั้นมีความจริงและเป็นรายงานจากประสบการณ์ของเขาจริงๆสิ่งนี้ก็คือการสนองความปรารถนาของเขาที่มีเหลืออยู่ในโลกมนุษย์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเองลองพิจารณาดูหลักการเกี่ยวกับวิวัฒนาการต่อไปนี้แล้วท่านอาจจะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น วิญญาณของคนป่าเถืน่นใช้เวลาอยู่ในโลกที่ขั้นต่ำตามลำดับแห่งภูมิจิตของเขาชั่วระยะเวลาอันสัน้นในระหว่างนั้นเขาก็ได้เกิดมีความปรารถนาและอุดมคติใหม่ๆขึ้นมาแทนที่ความปรารถนาและอุดมคติใหม่ๆเหล่านี้ก็จะมาแสดงออกในเมื่อเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ในครั้งต่อไปอันที่จริงในการที่เขาเกิดความปรารถนาและอุดมคติใหม่ๆนี้ก็หมายความว่า เขาได้ก้าวล่วงความปรารถนาและอุดมคติเก่าๆของเขาขึ้นมาแล้วซึ่งทั้งนี้ก็หมายความว่าเขาได้พัฒนาการความเจริญทางวิญญาณของเขาขึ้นมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยมีฉะนั้นเขาก็คงจะไม่สามารถปล่อยวางความปรารถนาและอุดมคติเดิมของเขาได้ด้วยเหตุนี้เองก็แปลว่าวิญญาณของเขาได้ก้าวหน้าหรือมีความประณีตสูงส่งขึ้นไปบ้างตามสมควร การได้มามีโอกาสเพื่อความปรารถนาในโลกทิพย์จึงเป็นเครื่องช่วยให้วิญญาณของเขาได้สมใจอยากและแล้วก็เริ่มคิดได้และมีความชินชาแล้วรู้จักเบื่อต่อความปรารถนาในระดับนั้นซึ่งตนได้จนสมใจและไม่มีอะไรกดดันอีกต่อไปแล้วลักษณะ น, นี้แหละที่เป็นความก้าวหน้าขั้นหนึ่งๆของวิญญาณของแต่ละคน หนึ่งเนื่องจากปกติคนป่าเหล่านั้นใช้ชีวิตของเขาช่วระยะเวลาอันสั้นทั้งในโลกมนุษย์และโลกทิพย์ดังนั้นภายในระยะเวลาอันยาวนานในขณะที่วิญญาณชั้นสูงกำลังพักผ่อนหรือสวยสุขอยู่ในโลกทิพย์ชั้นสูงนั้นวิญญาณขั้นต่ำของคนป่าเหล่านี้ก็ได้เกิดแล้วตายอีกแล้วก็เกิดตายใหม่อีกเช่นนี้นะับเป็นจานวนถึงหลายร้อยครั้งก็ได้ และในการเวียนเกิดเวียนตายอยู่เรื่อยๆนี้วิญญาณขั้นต่ำเหล่านี้ก็ยอมจะได้มีประสบการณ์และเลื่อนอุดมคติและความปรารถนาของตนให้สูงขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นจึงเห็นได้ว่ากฎธรรมชาติคือความเสมอภาคและการชดเชยย่อมมีอยู่เสมอทั้งในโลกมนุษย์และโลกทิพย์ หมายเหตต้องเข้าใจหลักที่ว่าจิตคือพุท ธ, ธะคือจิตนั้นมีสภาพของพุท ธ, ธะอยู่ในตัวและมีอำนาจมากกว่าที่หลายคนคิดแต่ถูกกิเลสตัณหาบดบังความสามารถนั้นไว้สิ่งหนึ่งที่ต้องเกิดก็คือเมื่อมีการรับรู้อารมณ์อะไรก็ตามจะถูกบันทึกไว้ในจิตเสมอท่านกล่าวไว้ว่าไม่มีสัตว์ตนใดพ้นกระแสพระนิพพานคือถึงจุดหนึ่งก็ต้องพัฒนาตน จนพ้นจากการวินว่ายตายเกิดไปได้แม้แต่โจรร้ายคนที่เอี่ยมโหดที่สุดเมืเ่อเขาทําบาปต้องรับผลอย่างเช่นการตกนรกนั้นทุกครั้งที่ตกนรกจิตก็จะสะสมความทุกข์ที่เคยได้รับถึงจุดหนึ่งซึ่งอาจจะต้องเกิดตาหลายภพชาติลงนรกซ้ําแล้วซ้ําเล่าก็จะเกิดจิตที่รู้ตามจริงว่าเพราะบาปกรรมที่ตนเคยทําไว้นั้นจึงต้องมาลําบากขนาดนี้จึงเกิดจิตที่อยากแก้ตัว อยากทำความดีไม่อยากตกนรกอีกแล้วเมื่อมีโอกาสเกิดใหม่ความกระตุ้นเตือนในจิตนี้ก็จะกระตุ้นให้กลัวบาปและเชื่อเรื่องนงรกสวรรค์ได้โดยง่ายแต่จะทำบาปอีกหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าสามารถหักห้ามใจได้แค่ไหนและได้ใกล้ชิดคนดีที่คอยสั่งสอนอบรมให้ไปในทางดีได้แค่ไหนด้วยซึ่งบางคนอาจจะต้องใช้เวลายาวนานมากเพราะแม้จะมีจิตที่เกิดความกลัวบาปขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว แต่หากเผลอทำบาปอีกด้วยความเคยชินที่ติดมาหลายชาติก็ต้องกลับไปตกนรกอีกเกิดใหม่ตกนรกวนเวียนไปมาซ้ำซากอาจจะนานแสนานานจนประมาณไม่ได้ซึ่งก็แตกต่างกันไปของแต่ละคนนะครับการเวียนตายเกิดของคนนั้นความจริงก็เป็นกฎธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาวะจิตของแต่ละคนและการต้องเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็เป็นสภาวะเดียวที่จะได้โอกาสในการแก้ตัว เราเป็นภพเดียวที่ศึกษาธรรมะและทำบุญได้สูงสุดนะครับประโยชน์ของการเกิดในโลกทิพย์ประโยชน์ประการหนึ่งของการที่คนป่าที่เข้าถึงโลกทิพย์ก็คือเขาเหล่านั้น ได้มีโอกาสมาเป็นมิตรสนิสนมกันดีกว่าในโลกมนุษย์เหตุผลในเรื่องนี้ประการแรกก็คือผู้ที่เป็นญาติมิตรหรือหัวหน้าที่ได้ล่วงลับไปก่อนแล้วกับผู้ที่ถึงแก่ความตายตามปลายระยะหลังก็จะได้มีโอกาสพบกันใหม่ซึ่งจะทําให้เกิดความยินดียิ่งขึ้นกว่าเดิมประการที่สองความเป็นศัตรูกันที่มีมาแต่เดิมเมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์นั้น เมื่อมันอยู่ร่วมกันในโลกทิพย์แล้วก็จะค่อยๆจางหายไปได้โดยอาศัยสภาวะของโลกทิพย์นั่นเองทั้งนี้เพราะเหตุว่าในโลกทิพย์มีสิ่งที่สนองความปรารถนาและอุดมคติของเขาได้อย่างเหลือเฟือโดยไม่มีขัดสนเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องอิจฉาด้วยสยาหรือแย่งชิงกันเหมือนดังในโลกมนุษย์ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีไม่ค่อยพอเพียง เป็นเหตุที่ต้องรบพุงยั่งชิงกันอยู่เสมอเมื่อเป็นเช่นนั้นความที่ในโลกที่มีสิ่งที่สนองความต้องการของเขาได้อย่างเหลือเฟือจึงทำให้ความเกลียดชังและพยาบาทกันเพราะเรื่องเช่นนี้ค่อยบรรเทาลงและเกิดความรู้สึกเห็นใจและเป็นมิตรสนิทสนมกันขึ้นมาแทนที่และความรู้สึกเช่นนี้เองที่จะเป็นรากฐานนาไปสู่ความเป็นผู้มีเมตตากรุณานในวงกว้าง คือเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์โดยทั่วไปในขั้นต่อไปการที่เขาได้เวียนเกิดเวียนตายและได้เข้าสู่โลกทิพย์แต่ละครั้งก็ทำให้เขาได้มีโอกาสสนองความปรารถนาขั้นต่ำได้สมใจและแล้วก็ทำให้ความปรารถนาเช่นนั้นค่อยๆมอดหมดไปทีละเล็กละน้อยเพราะความที่ไม่ต้องอยู่ในสภาวะที่มีอารมณ์มันถูกกดดันอีกต่อไปและพร้อมกันนี้ ก็ทำให้เขาได้เกิดดวงปัญญาขึ้นมาทีละเล็กละน้อยซึ่งทำให้เขาได้เห็นโทษของความปรารถนาขั้นต่ำๆเหล่านั้นและใกรหาทางขยบฐานะแห่งจิตใจของตนให้พ้นจากสภาวะนั้นขึ้นมาเป็นลำดับด้วยเหตุนี้เองการเวียนเกิดเวียนตายครั้งแล้วครั้งเล่าจึงทำให้เขาได้รับประสบการณ์และเกิดปัญญาวิวัฒนาการตนเองขึ้นเรื่อยๆวิญญาณแต่ละดวง ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณขั้นต่ำเพียงใดก็ตามย่อมได้รับบทเรียนฝังใจในสันดานที่ละเล็กละน้อยว่าชีวิตทั้งหลายทั้งมวลย่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทําให้เกิดความรู้สึกปรารถนาดีหรือเมตตาต่อผู้อื่นไปในตัวทั้งนี้จะเป็นเช่นนั้นทุกคราวที่เขาได้รับความสมหวังมีโอกาสสนองความปรารถนาในทางร่างกายของเขาได้ดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่า แม้ในสวรรค์ขั้นที่หยาบๆยของคนป่าเหล่านั้นเขาก็มีโอกาสที่จะพัฒนาการได้เหมือนกันความสุขอันเกิดจากการได้สนองความปรารถนาของตนบ้างทำให้เกิดความรักและความปรารถนาดีและวิญญาณในสภาวะเช่นนี้ก็เป็นไปตามกฎนี้เองดังได้กล่าวมาแล้ววิญญาณขั้นต่ำจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกทิพ ช่วงระยะเวลาไม่นานและต่อมาเมื่อได้รับสิ่งที่ต้องการสมใจแล้วก็เริ่มเบื่อเมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนี้ขึ้นไม่ช้าวิญญาณก็จะรู้สึกมีอาการง่วงงุนซึ่งเป็นอาการที่แสดงว่าตนจะต้องเกิดใหม่ต่อจากนั้นวิญญาณก็จะตกอยู่ในสภาวะที่อาจเรียกได้ว่าโคม่าคือไม่รู้สึกตัวในตอนนี้ขบวนการของการเกิดใหม่ ก็จะดำเนินไปตามกฎแห่งกรรมคือกฎของความดึงดูดของสิ่งที่เหมือนกันซึ่งจะทำให้วิญญาณ น, นั้นไปถือ ก, กำเนิดในร่างกายใหม่เพื่อจะได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความปรารถนาและอุดมคติใหม่และได้สนองความปรารถนาและอุดมคติหรือว่าอุดมการใหม่ๆของตนให้สมใจต่อไปในวิญญาณที่มีลนะักษณะหรือขั้นแห่งความเจริญดังกล่าวมาแล้วนั้นจะมีความผูกพัน หรืออุปาทานติดอยู่กับโลกมนุษย์อย่างแรงมากและเมื่อเป็นเช่นนี้อำนาจของอุปาทานก็จะดึงวิญญาณ น, นั้นให้กลับมาสู่โลกมนุษย์จนได้ซึ่งก็เป็นการสนองอุปาทานนั่นเองจึงเห็นได้ว่าเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่เป็นความทารุณหรือความอายุติธรรมอย่างใดวิญญาณของทุกๆคนจะต้องได้รับสิ่งที่ตนยังติดข้องและปรารถนาอย่างรุนแรง กฎของการสนองความปรารถนาเพื่อชดเชยต่อการที่ต้องถูกขัดขวางหรืออดกลั้นอยู่ชั่วระยะหนึ่งนั้นย่อมเป็นหลักความจริงอยู่เสมอทั้งในโลกทิพย์และโลกมนุษย์และนี่คือกฎแห่งความยุติธรรมที่ยิ่งใหญ่และไม่มีเวลาจำกัดเพราะจะต้องคงเป็นอยู่เช่นนั้นตลอดการทั้งในวิญญาณขั้นต่ำและขั้นสูงซึ่งก็กาลังวิวัฒนาการอยู่เสมอ